อะไรเกิดขึ้นในกายก็คอยรู้สึกอะไรเกิดขึ้นในใจก็ค่อยรู้สึกรู้สึกเล่นๆไปด้วยถ้าทําได้อย่างนี้สติจะเกิดขึ้นมาแล้วกุศลทั้งหลายจะตามมาเป็นแถวเลยกว่าจะจับต้นทางตัวนี้ได้ลําบากนะ mm. ค่อยคลาคลำภาวนาทั้งนานเนะี่ยพอจับต้นทางตัวนี้ได้แล้วการภาวนาง่ายนิดเดียวเลยเราไม่ได้ทําอะไรหรอกสติปัญญาทั้งหลายเขาทําหน้าที่ของเขาเอง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 พูดออกมาได้ระสมมูิบัรยัติออกมาได้ก็ปรุงแต่งทั้งนั้นแหละเราอย่าไปวาดภาพการปฏิบัติให้ยากเกินจริงเราชอบวาดภาพาการปฏิบัติต้องทำอะไรที่เหนือมนุษย์ยากยากต้องทำมานานๆล้มลุกลุกลานนานๆเมืนน่อ ว, วันหนึ่งอาบรู้มรรคผลนิพพานถ้าไม่ได้เจเริญสติปัฏฐานไม่ได้ทำมิปัสสนากรรมฐานในยากแค่ไหนก็ไม่บรรลุหรอก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 เราฝึกตัเอให้เกิดสติสติเป็นความระลึกได้อย่าไปคิดนะว่าสติแปลว่ากําหนดคนรุ่นหลังแปลผิดนี่หลังๆหลวงพ่อชักบวดหัวขึ้นทุกวันทุกวันแล้วนะพวกที่ชอบไปเข้ากรรมาฐานกําหนดกําหนดมานะสวันเจวันเลยบางคน3วันสติแตกมาแนละเมื่อวานก็มีหอบพี่อุนม า, มานวันน้นอาทิตย์ก่อนก็มีพระมาพระก็เป็นกําหนดมากเลยนะจนไม่รู้เนื้อรู้ตัวเลย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 ธรรมะจริงๆต้องง่ายจำไว้นะเพราะประโยคแรกที่หลวงปู่ดูลสอนหลวงพ่อก็คือมันง่ายการปฏิบัติน่ะไม่ยากท่านไม่ได้ว่าง่ายนะท่านว่ามันไม่ยากการปฏิบัติน่ะไม่ยากนี่ประโยคแรกเลยที่ท่านพูดกับหลวงพ่อท่านกลัวเราปฏิบัติยากปฏิบัติแบบยุ่งยากซับซ้อนครูบาอจารย์ทุกๆุกองเลยองไหนองค์ไหนเข้าไปเรียนกับท่านแลท่านบอกง่ายง่ายทุกองเลยมันง่ายนะมันง่ายนะ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 ใชบทเรียนที่3ศีลสิขาจิตศิกขาบทสุดท้ายคือปัญญาศิกขามีสติรู้รูปน้ำรูปที่กําลังปรากฏน้ำที่เพิ่งดับไปสดสดร้อนๆนี่รู้ก็ไม่เหมือนกั น, น <c oughs> เวลารู้รูปนะมีสติรู้รูปที่กําลังปรากฏแต่รู้น้ำที่เพิ่งดับไปสดสร้อนรด้วยจิตที่ตั้งมั่นมีสัมมาสมาธิจิตจะไม่ไหลเข้าไปจิตจะตั้งมั่นอยู่ต่างหากโดยที่ไม่ได้ประคองไว้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 รักษายากนะถ้ามากมากกว่านี้คงไม่ไหวอะวันๆจะกลายเป็นเปิดโรงพยาบาลเดี๋ยวสาราสุขมันจะว่าเราเปิดโรงบาลบ้าแข่งกับหมอเรียนให้ดีนะเราจะได้ไม่บ้าเรียนให้ดีนะจะได้มรรคผลนิพพานจะได้มีความสุขฆราวาสก็ทาได้มรรคผลนิพพา น, นไม่ใช่ว่าเหลือวิสัยอาเชิญไปทานข้าวเกินเวลานิดหน่อย